มาเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติไปถ้ารู้หลักของการปฏิบัติแนละ้วก็ต้องเอาไปทําด้วยตัวของตัวเองเมื่อก่อนจะไปเรียนเจอครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่า ย, ย30มสิกว่าปีก่อนพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านภาวนานดีๆนะคนล้อมไว้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นพวกทําบุญ กับพวกนั่งสมาธิเฉยๆโอกาสจะตีฝ่าวงล้อมเพ่อไปถามกรรมฐานแท้ๆนะไม่ง่ายอนะ่ะจะบางทีได้จังหวะไปช่วงไม่มีคนนะท่านเมตตาสอนให้จนะปกติก็จะไปวัดนะคนเยอะๆก็จริงแต่เรารู้เวลาว่าช่วงไหนพอจะเข้าไปพบท่านได้ เขาไปถามส่วนตัวได้อย่างหลวงปู่สิมขึ้นไปนะจะมีคนมาแย่ๆเหมือนกันเราเข้าไปนั่งทาสมาธิไปให้ดีเดี๋ยวท่านสอนเองท mm hmm. ่านเกี่ยพูดทักันโน้นทักคนนี้ไปนะเห็นเรานั่งสมาธิท่าก็สอนธรรมะที่สมควรแก่เราให้พูดลอยๆอย่างนี้แหละ ถ้าลอลอยแล้วายังไม่รู้เรื่องนะท่านจีกเอาบางที <c oughs> ไหลๆผู้รู้ผู้รู้อะไรเงี้ยเรียกเอ <c oughs> หาหาโลกพุเทศนหลวงพุทธเ น, ธ น, ธ น, ธ น, ธน้นพระที่คนไปหามากนะมากมาหาศาลในวันหนึ่งวันหนึ่งสมัยโน้นมันมีรถทัวร์นะชอบจัดทัวร์วัดกัน <c oughs> พวกชาววัดชอบล้อล้อ เ, ลเรียนเรียกว่าพวกอรหันทัวร์ ชอบหรือว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์นั่นก็จัดทัวร์ไปทีละเก้าวัดอะไรเงี้ยนะข้าวัดปุ๊บเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำแล้วก็ไปกราบละกราบครูบาอาจารย์อะไรทำบุญถาวายปัจจัยรับพรจบแล้วกลับละแต่ก็เป็นแบบนั้ น, นรีบไปพัดอื่นอีกเดี๋ยวไม่ทันต้องให้ได้เก้าวัดถึงจะได้บุญมาก มันแต่ก็มันจะได้อะไรนักหนานก็ได้แค่ทำทา น, นได้ความสนุกสนานไม่เอาธรรมะเอาแต่บุญอย่างเดียวนะบุญจากการทำทานไม่มีการถือศีลไม่มีการทําสมาธิไม่มีการเจริญปัญญาแต่เขาก็ดีนะล้วเขาทาอย่างนั้นสม่าเสมอก็เป็นบุญของเขาเขาดีเหมือนกัน ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาคนกลุ่มนี้ท่านจะสร้างกุติหลังใหญ่ๆไว้สองหลังให้ผู้หญิงหลังผู้ชายหลังแยกกันพักท่านเมตตาปกติเวลาทัวจะเข้าวัดท่านก็จะจดหมายมาบอกก่อนหรือไม่ก็โทรศัพท์มาบอกท่านก็จะให้เขาเตรียมกุติไว้ศาลาคล้ายๆศาล า, ามากกว่ากุติใหญ่ๆ แม่ครัวก็ต้องเตรียมอาหารเย็นไว้ให้กินนะมีวันหนึ่งกลางพรรษาฝนตกเนี่ยันตกหนักเลยพายุมัเข้าอยู่ๆหลวงพุทธเทศท่านก็สั่งแม่บูแม่บูเป็นแม่ครัวบอกวันนี้ให้เจ้าหุงข้าวไว้ร้อยคนแม่บูก็ถามว่าเขามีจดหมายมาบอกเลยเปล่าเจ้าไปทำไห้เถอะ เขาไม่ได้บอกอะไรเราไม่มีเขาจะไปถุงข้าวไว้เผื่อใครเขาหลงมาเขาหิวเราจะได้กินกว่าเมตตานะ <_ t od ic> ตกเย็นโปรเ a y โปรเ a y นะฝนก็หนักแม่บู๋ลงฟูงให้หุงข้าวทิ้งเยอะแยะเลยเนี่ยเสียได้ของใครมันจะมาวัดพายุมาตกโปรเฟรนะรถถั่วเขามาจริงสมสารเข้ามาเป็นฝูงเลยเป็นหลายคันนะ <_ t od ic> มันจะไปเมืองเลยไปวัดที่เมืองเลยแล้วไปไม่ไหวข้ามเขาไม่ไหวฝ่าพายุไม่ไหวต้องข้ามเขาไปทางสังคมอำเภอสังคมขึ้นไปแล้วขึ้นไปเมืองเลยภูเขาชันเรียบเลาะภูเขาลิมแม่น้ำโขงเข้ามาวัดก็ได้กินข้าวนะ้วหลวงกู่เตรียมไว้ให้เมตตาเวลาใครไปหาท่านท่านก็จะทักทาย ถ้าไป น, นอนที่วัดนะจะถามเมื่อคืนนอนหลับไหมกินข้าวอิ่มไหมกินลงไหมจถามอย่างนี้นะแต่คณะปฏิบัติยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้ไม่พูดเรื่องอื่นเลยนุพูดแต่เรื่องปฏิบัติแล้วเข้าไปกลับท่านก็ต้องเข้าไปพร้อมๆคนอื่นนะตอนเช้าเช้านี่ยท่านฉันข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปพระอุปถัมภ์ถ้าเห็นหลวงพ่อท่านจํำได้ ว่าเดี๋ยวได้ฟังธรรมะดีๆแล้วอันนี้ท่านก็ยัให้ไปนั่งข้างหลังหลบหลบฉากใกล้ๆฉากอจริงๆมีฉาก <laughs> อยูกลุ่มที่หนึ่งคณะนีนะ้มาจากนี้จากนี้นประกาศเป็นคณะคณะนะคล้ายๆพระนนนะ่ะถูนพระไตรเจ้าว่าคณะนี้มาอย่างงี้คณะนี้มาอย่างนี้นอนเอากราบเข้ามาีละคณะนะกราบยี่สิบคนอย่างเงี้ย ถวายใยพรนนาคณะที่สองอ่งนี้นะส4มสี่ร้อยคนเนี่ยแป๊บเดียวนะหลวงปู่จะให้พรหลวงปู่ให้พรโหลวงปู่จะพักพอน <c oughs> เขาไม่รู้หรอกหลวงปู่พักพอนยังไงหลวงปู่จะพักพอนแล้วนะเขารลืมแล้วล่ะแค่นั้นเขาพอใจละมาวัดมาทำบุญออกไปปิดประตูเลย ตอนนี้ถึงคราวเหล่าบ้างแล้วรายงานการปฏิบัติตข่าวนี้ท่านจะสอนละเอียดรูบาอาจารย์อืนน่นๆก็คนน้อยหน่อยมางจังหวะก็ไม่มีคนก็เข้าถึงเลยถ้ามีคนเราก็ไปนั่งนั่ ง, งรอรอไปภาวนาไปเดี๋ยวท่านก็เรียกไปสอนบางองค์ว่าแปลกหลวงพ่อกเกษมเขมะโกพ่อไปสัมมนาที่ลำปาง กลางคืนเขากินเลี้ยงกินเหล้าอะไรกันเราก็หนีมันก็มืดแล้วนะ่ะหลายทุ่มเหมือนกันกว่าจะหลุดออกมาได้นะเราคาดการผู้น้อยผู้ใหญ่มันไม่เลิกเราก็เบื่อจะตายอยู่แล้วนะอยากไปวั ด, ดนั่งสำล้อเรืเอเตทจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่รถม้าหรอกม้ามันนอนหมดแล้วกลางคืนไปสู่สารไตรลักษณ์ เข้าไปมืดตื้อเลยนะแต่ว่าคนเต็มเลยคนนี้นั่งเยอะเลยไปถึงนโอ้โหเราจะได้เจอท่านบางไหมเนี่ยไ้เข้าไปสักพักนะลูกศิษย์ท่านก็มาบอกว่าวันนี้วันพระท่านตั้งสัจจะไม่รับแขกนะบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนั่งพอนาอยู่ตรงนี้แหละไม่กวนหรอกไม่ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรอก ท่านว่าวันฟ้าไม่รับแขกก็ไม่รับไม่ว่าอะไรถามว่าคนมาทําอะไรอ่ะท่านไม่รับแขกคนมาทํำอะไรที่นี่เยอะแยะเอามารอหวยเผื่อว่าท่านเปิดประตูตอนไหนกี่นาฬิกากี่นาทีอะไรเงี้ยนะเป็นเลขหมดอ่ะถ้าเดินออกจากกุฏิมาจับต้นไม้ต้นนี้กิ่งนี้มีกี่ใบอะไรนะเนี่เดี๋ยวต้องไปนับอะไรเงี้ยก็รอหวยกันก็นรอหวยก็ช่งางเ็รอก็นั่งภาวนานึกถึงท่านภาวนา ไปแย่ท่านไปแย่ท่านยังไม่เคยรู้จักท่านสักพักหนึ่งท่านก็ให้ลูกศิษย์มาเรียกไปไปนั่งที่ระเบียงกุฏิท่านลูกศิษย์ก็สั่งบอกวันนี้ท่านสั่งมานะว่าวันนี้ท่านต้องรักษาสัจจะไม่รับแขกให้ไปนั่งที่ระเบียงนะท่านจะนั่งในห้องแล้วเปิดประตูห้องห่างกันนิดเดียวห่างแค่เนี้ยแค่ประตูกั้น แต่จะเปิดประตูแล้วก็อย่าเข้าไปในห้องนะท่านก็จะไม่ออกมาเพราะท่านมีสัจจะวันนี้ท่านไม่รับแขกถือว่าไม่ได้รับแขกขึ้นไปนั่งท่านก็เปิดประตูออกมาท่านก็เทศให้ฟังก็ <im itation> เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้า <c oughs> ขอขวดของเราข้อควายเข้านา่ะฮะเทศอย่างนี้เหรอ นะั่ท่องกรอนไหวตัวอักษรท่องกรอนโน้นท่องกรอนไหวต้นไม้ไหวต้นพโพลอยของท่านไปเรื่อยนะเราฟังนะท้อใจเราอยากฟังธรรมะเทศอะไรให้เราฟังเนี้ยก็นึกในใจบอกท่านหลวงพ่อหลว ง, งพ่อเทศให้ผมฟังไม่เป็นไรหรอกนะผมเนะี่ยขารบแน่นแฟ้นในพระรัตนตรยัยถ้าคนต่างชาติต่างาศาสนามาอาเทศอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาดูถูกพระพุทธาศาสนา ท่านก็ว่าท่านไปเรื่อยนะพอจบเราก็นั่งคุกเข่าพนมมือตอนนั้นยังหนุ่มอยู่คุกเข่าไว้นั่งอยู่น้อนเยท่านก็ท่องอะไรท่านไปเรยเราก็ร้อนใจมากขึ้นมากขึ้นตายละท่านสอนอย่างนี้เหรอศาสนาเสืยอหายแน่เลยแล้วท่านท่องกรอนของท่านพอใจแล้วท่านก็ต่อธรรมะให้ประโยค คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายยิ้มหวานใส่เลยนะใจเรานี้สว่างวา่างเลยเอาธรรมาอยู่ตรงนี้เองท่านเทศอะไรให้เราฟังนะใจเรานี้เร่าร้อนไปหมดเลยใจเรากระสับกระส่ายรู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนามากเลยถ้าคืนพระเทศอย่างนี้นะคนต้องดูถูกศาสนาพุทธเลใจเรานี้ยกระสับกระส่ายคิดไม่ดี ถ้าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นเย็นสบายต่องประโยคนี้นะคลุมการปฏิบัติเอาไว้มหาศาลเลยกุศลหรืออกุศลทั้งหลายนะตามหลังความคิดมาถ้าเหนือความคิดขึ้นไปนะเข้าไปสู่การรู้รู้ตามความเป็นจริงจะเข้าถึงความเย็นสบายความดับสนิทอะไรเป็นเรียกว่าความเย็นความดับก็คือตัวนิพพานนั่นเอง แสอนทั้งฝ่ายโลกิยะฝ่ายโลกุตตะในสองประโยคครอบคลุมไม่หมดละเหมือนที่พระอาษิชิสอนอุปติสสะที่หลังไทยหลังมาเป็นพระสารีบุตรบอกว่าเยธรรมมาเหตุต ah ุปภวาเตสังเหตุุงตถาคโตเตสัญเจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น นี่คือธรรมะฝ่ายเกิดและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่ธรรมะฝ่ายดับพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวสอนอย่างนี้ธรรมะอะไรที่มีเหตุเกิดรูปนามมีเหตุเกิดธรรมะฝ่ายโลกมีรูปมีนามมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์ฝ่ายชั่วมีเหตุเกิดธรรมะฝ่ายดีเนี่ยพ้นจากอันนี้ไป ความดับสนิทแห่งทุกขคลุมในสองสามคำนิ่งคลุมทั้งฝ่ายวัตตะและฝ่ายวิวัฏ ต, ตะหลวงพ่อเกษมสอนหลวงพ่อสองประโยคน์คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคิดไม่เป็นก็เย็นสบายพวกเราติดอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สามารถเห็นความจริงได้ เราหลุดออกจากโลกของความคิดเราเห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนมามธรรมได้เราวันหนึ่งเราก็จะรู้เลยว่ารูปธรรมนมามธรรมกายใจที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนะี่ยจริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นาธาตุเป็นาธนาตุทั้งหมดเลยร่างกายเป็นาธาตุดินน้ำฝ่าลมบรรจุตั้งอยู่ในสเปซคืออากาศสาธาติคําว่าอากาศสาธาติไม่ใช่แอร์นะ ไม่ใช่อากาศธาตุคือคําว่าสเปซธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยตั้งอยู่ในสเปซคือธาตุอากาศส่วนความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นธาตุรู้ก็เป็นธาตุอีกตัวหนึ่งมันเป็นธาตุธาตุดินน้ําไฟลมนั้นทํางานของมันไปตามธรรมชาติส่วนธาตุรู้เนี่ยมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ตั้งแต่แรกมาเนี่ยมีธาตุรู้มีตัวรู้เกิดขึ้นมาเนี่ย สัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมชั่วตลอดเลยเพราะจิตออกนอกนี่หลวงปู่ดุลท่านสอนเลยสัตว์เมื่อแรกเกิดมีแต่ทํากรรมชั่วนะมีสัตว์กินสัตว์สัตว์ทําร้ายสัตว์ก็สร้างกรรมกรรมก็ประทับลงมาในจิตใต้สํานึกในผวังขจิตเก็บสะสมไว้ในจิตในผวังขจิตแล้วก็ทํากรรมหนักขึ้นเรื่อยๆนะสัตว์ก็พัฒนาไปจิตใจก็พัฒนานะ มากก็พัฒนาในทางสะสมบุญบ้างสะสมบาปบ้างนะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะสมอะไรมากกว่ากันแต่สัตว์ทั้งหลายล้วนแต่กระทำกรรมนะก็สะสมมาไว้ก็เกิดวิบากแล้วก็เกิดการกระทำกรรมใหม่วนะิบากก็ส่งผลให้เกิดกิเลสมีกิเลกก็เกิดการกระทำกรรมมีก า, การกระทำกรรมก็มีวิบากมีวิบากก็เกิดกิเลสอีกวัตตาก็หมุนขึ้นมาภายในจิตเองนะ ท่านเรียกว่ารูปปรมาโน่ภาษาท <Regular system. S 1> ่านอะนะมันหมุนท่านรูปรูปปรมาโน่กลมมันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนจริงจริงม <c oughs> <c oughs> <swim> ันกลมดูม <c oughs> <TY liter version> ันเหมือนกลมกลมนะมันหมุนได้หมุนติ้วติ้วติติอยู่ทั้งวันในวัฏฏะภายในนะหมุนอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็หมุนไปหมุนมาก็เวียงเอาสุขขึ้นมาเวียงเอาทุกข์ขึ้นมาเวียงเอาดีขึ้นมาเวียงเอาชั่วขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้ว่ารู้สึกแต่สิ่งเหล่านี้ผุดขึ้นมาจากกลางอกผุดผุดผุดขึ้นมา พรผลิขึ้นมาแล้วเราก็ถูกกิเลสนั่นแหละครอบงําจิตจิตน้าปรุงแต่งกิเลสขึ้นมานะเสร็จแล้วกิเลสกลับเข้ามาครอบงําจิตมาปรุงแต่งจิตพอกิเลสมาปรุงแต่งจิตนั้นก็เป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงขึ้นมาตามอํานาจของกิเลสก็ไปทํากรรมชั่วบานะงทีมันก็หมุนนะมันก็ปรุงปรุงปรุงดีขึ้นมาไม่ทากุศลก็เก็บสะสมบุญกุศลเอาไว้ บุญกุศลพอสะสมมากๆมันกลายเป็นบารมีนะมันกลายเป็นกระแสสองกระแสที่เราสะสมไว้ในตัวเองนั้นคนทุกคนนะสะสมมาทั้งบุญทั้งบาปเรามีส่วนผสมทั้งดีและชั่วในตัวเองงแต่ว่าตัวไหนจะทํางานได้สะดวกกว่ากันถ้าตัวชั่วเคยทํางานนะเราไม่เคยฝึกสติฝึกปัญญาตัวชั่วก็ทํางานสะดวกถ้าเราเคยฝึกสติฝึกปัญญาไว้จนชำนิชำนาญตัวชั่วก็ทํางานลําบาก มัาทำงานลําบากมันไม่ค่อยได้ทํางานนะกำลังของมันก็ค่อยตกไปตัวดีก็กําลังเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรามาสร้างความเคยชินฝ่ายดีให้จิตมันคุ้นเคยกับสติกับปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยสติมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละรเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนั้นทําไปด้วย2เหตุ2ผลนะ2เหตุผล เราต้องการสองสิ่งจากการเจริญสติปัฏฐาน 1. ในเบื้องต้นเจริญสติปัฏฐานเพื่อความมีสติในเบื้องปลายเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้มีปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันอะไรรู้ทันความมีอยู่ความปรากฏอยู่หรือความดับไปความเกิดขึ้นความมีอยู่ตั้งอยู่กับความดับไปของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรา อย่างเราทำสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆหญกายเวทนาจิตธรรมหมวดกายจะ ง, ง่ายหมวดจิตจะ ง, ง่ายเวทนากระทำถือว่าเป็นของยากยิ่งทำนี่ถือเป็นของที่สูงที่สุดนะกายและเวทนาเหมาะกับพวกตันหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะจิตและธรรมเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดนะไม่เหมือนกันพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็น นี้ถ้าเราจริญนิสัยอย่างไรเราก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองทําไมแต่ละอย่างมีสองงานนะพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามมีกายกับเวทนาแล้วจะเลือกอะไรกายนั้นเหมาะกับพวกตัณหาจริญที่อินทรีย์อ่อนปัญญาอ่อนนะพวกเราต้องถือว่าปัญญาอ่อนไว้ก่อนนะปัญญาแก่กลาก้าคงไม่มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหรอก คงเป็นลูกศิษย์พวกเท่เจ้าแล้วก็จบไปตั้งแต่ยุคนนั้นแล้วละ่ะถือว่าเป็นพวกปัญญาอ่อนก็แล้วกันนะเะั้นเราดุกกายถ้าเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดุกกายไปถ้าปัญญาแก่กล้านะกายจะจืดชืดแคบไปน้อยไปก็ดูเวทนาเวทนามันแทรกอยู่ในกายอีกทีมลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนีมีจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาถ้าไม่มีสองอัน จิตตานุปัสสนาเป็นของพวกที่อินทรีย์อ่อนพวกที่ปัญญายังอ่อนธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกที่อินทรีย์กล้าแข็งแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบพวกอินทรีย์อ่อนแล้วมันจะอ่อนตลอดนะถึงจุดหนึ่งทั้งหมดจะเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนาในแบบสุดท้ายของธรรมานิปัสสนาทุกองค์ทุกท่านทุกคนเลยที่ปฏิบัติหรือธรรมานุปัสสนาอันสุดท้ายก็คืออริยสัจ แม้ว่าเราจะดูกายมาแบบแหมปัญญาเราอ่อนเต็มทีดูกายดูมันไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะไปแจ้งอริยสัจมดูเวทนาแหมเป็นพวกตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแต่ว่าปัญญากล้ามีอินทรีย์แก่กล้าดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ไปแจ้งอริยสัจนะพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดแจ้าความเห็นอินทรีย์อ่อนดูดูจิตเห็นจิตเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างเกิดดับหมุนเวียนนะ ดูไปดูไปก็จะไปแจ้งอริยสัจพวกที่แก่กล้าจริงๆก็เจริญธรร ม, มานุปัสสนาธรรมานุปัสนาน้ําต่างกับตัวอื่นยังไงในธรรมานุปัสนานั้นมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาอย่างกายานุปัสสนาเป็นเรื่องของรูปธรรมเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเป็นนามธรรมก็ธรรมานุภัสนามีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมธรรมานุปัสนา มันเป็นการดูกระบวนการนะกระบวนการทำงานของฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะกระบวนการทำงานของธาตุขันธนะ์ของจิตมิญญานที่มันทำงานเป็นการดูที่ตัวกระบวนการทำงานไม่ใช่ดูตัวสภาวะถ้าดูตัวสภาวะโดดๆถ้าเป็นตัวรูปธรรมมันก็เข้ากายานุปัสนาถ้าเป็นตัวนามธรรมไปเข้าเวทนากับจิตตาเวทนาก็จะดูตัวเวทนาจิตตาจะดูตัวสังขาร ก็ดูได้ตัวรูปตัวเวทนาตัวสังขารตัวธรรมานุปัสสนาไม่ได้ดูตัวรูปตรงๆรงไม่ได้ดูตัวนามธรรมตรงตรงยังดูตัวแรกที่ท่านสอนให้ดูนะคือตัวนิวรณ์ไม่ได้ดูว่ามีนิวรณ์นะแต่จะดูจะรู้ว่านิวรณ์นั้นทํางานยังไงนิวรณ์นะเกิดขึ้นได้ยังไงนิวรณ์ยังไงถึงจะไม่เกิดเนี่ยจะดูเข้าไปเห็นกระบวนการทํางานของนิวรณ์กระบวนการที่นิวรณ์เกิดขึ้น นิวรณ์ตั้งอยู่นิวรณ์ดับไปนิวรณ์จะเกิดได้เพราะอะไรนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรจะเห็นชัดอย่างนั้นรู้กระบวนการของมันนะมันลึกเข้าไปอีกเห็นกระบวนการไม่ใช่เห็นตัวมันเฉยๆถ้าเห็นตัวมันเฉยๆเนียตัวนิวรณ์ต่างๆมันก็จะอยู่ในจิตต า, านุปัสสนานก็ซ้อนกันนะหรือดูตัวโพชชงจะเห็นโพชชงโพดชงก็เป็นฝ่ายดีนิวรณ์เป็นฝ่ายชั่วเห็นกระบวนการทํางานของฝ่ายดีสติเกิดขึ้นมาท่งทอดให้เกิด ธรรมวิจัยะนะถ้ามีสติแล้วไม่ไปทําธรรมวิจัยะคือการวิจัยธรรมะวิจัยรูปธรรมนามธรรมการวิจัยนั้นวิจัยภาคสนามคือไปดูจริงๆว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นอย่างไรนั่นเรียกว่าธรรมวิจัยะธรรมวิจัยไม่ใช่นั่งวิจัยเอกสารวิจัยลิทเติร์เชอร์นะไม่ใช่เป็นการวิจัยภาคสนามจริงๆเลยคือต้องไปดูของจริงว่ารูปธรรมมันเป็นยังไงนามธรรมเป็นยงไงมันทำงานยังไงถ้าเข้าไปดู ดันั้นถึงเรียกว่ารรมวิจัยเพราะมีมสติเฉยๆไม่ได้ต้องเอาไปทํำท ร, รมวิจัยนะแล้วต้องมีวิริยะขยันขยันดูถ้ เ, เกิดปีสติมีปีติสติปัญญาตามทานปีติจะสงบระ ง, งับลงเรียกปัจสถานะปัจสถามีเกิดขึ้นสติไปรู้อีกนะปัจสถานะสงบระ ง, งับลงนะเกิดสมาธิเกิดรู้เบกขาขึ้นมาเนี่ยมันะจะส่งทอดเป็นทอดทอทอดทอ ด, ทอดไป จะเห็นกระบวนการทํางานของฝ่ายดีจนกระทั่งจิตเป็นอุเบกขาอุเบกขาในพจนชงเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาในเวทนานะอย่างพวกเราทุกคนมีคําว่าอุเบกขามีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือสภาวะที่รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าสุขก็เรียกทุกขเวทนาสุขก็เรียกสุขเวทนาตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกอุเบกขาเวทนาแต่อุเบกขาในพจนชงไม่ใช่อุเบกขาเวทนาอุเบกขาในพจนชงเป็นอุเบกขาด้วยปัญญานะ จิตมันเป็นกลางขึ้นมาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมันมีอุเบกขามีความสุขนะจิตก็ไม่หวั่นไหวมีความทุกข์จิตก็ไม่หวั่นไหวสิ่งใดเกิดจิตก็ไม่หวั่นไหวสิ่งใดตั้งอยู่จิตก็ไม่หวั่นไหวสิ่งใดดับไปจิตก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะจิตเห็นความจริงแล้วว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ผ่านกระบวนการวิจัยธรรมะมาจนเกิดปีติด้วยกระแสของธรรมะนะไม่ใช่ปีติของสมาธิธรรมดานะ ไม่ใช่ปิติในฌานนะปิติในโพดชง์โคลันนะโคชงเนี่ยเป็นกระบวนการของการจัดสรุปจะพัฒนาขึ้นไปมันจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาในขั้นสูงนะสมาธิอันนั้นเกิดจากปัญญาเหมือนกันเกิดจากการมีสติไปทำธรรมวิจัยนะจะเข้าใจความจริงเป็นลําดับลําดับไปนะจิตสงบขึ้นมาในสุดจิตก็เกิดอุเบกขาเข้าใจความจริง คำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นที่พวกเราชอบโม้บางคนโม้หลวงพ่อขอใช้คํานี้นะชอบมาโม้ว่าจิตผมนะสักว่ารู้ว่าเห็นไม่จริงหรอกจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้นะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันผ่านกระบวนการเดินปัญญาณมหาศาลเลยไม่ใช่ไปนั่งเพ่งอยู่ซื่อบื้ออยู่แล้วบอกว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นด้วยสมาธิมันต้องสักว่ารู้ว่าเห็น ด้วยปัญญาเห็นแจ้งเนะสิ่งทั้งหลายเกิดระดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายเท่าเทียมกันด้วยความเป็นตรยลักษณ์เห็นด้วยจิตจริงๆเห็นด้วยปัญญาจริงๆนะเนี่ยในธรรมานุปัสนานะีมันจะลึกซึ้งกว่ากายเวทนาจิตนะธรรมานุภัสนาก็มีเรื่องขันอีกนะเรื่องขันห้าก็เห็นขันห้าเกิดมาได้ยังไงใครรู้นี่ไมว่าวิญญาณอย่างลงขันห้าปรากฏขึ้นมานะ แล้วลึกลงไปอีกทําไมวิญญาณอย่างลงเพราะมีเจตนาเกิดขึ้นทําไมเจตนาจึงเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาอยู่ลึกลงไปมันจะไปแจ้งอวิชชาแจ้งอริยสัจแต่ว่าไม่ว่าจ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานนะอันใดก็ตามสุดท้ายจะไปลงที่อริยสัจทั้งหมดนะพระอระหันตุองแจ้งอริยสัจเหมือนเหมือนกันนะแต่ความแตกแขนงในการอนธะิบายอริยสัจไม่เท่ากันภาษาริบุตรอธนะิบายได้มากกว่าองค์อื่นนะก็ะเลยเป็นถือว่าเป็นเลิศ ในด้านปัญญาอธิบายเริยสัตย์ได้ได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นสติปัฏฐานนัในเบื้องต้นทําไปเพื่อความมีสติเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะ เกิดกุศลก็รู้เกิดโลภก็รู้โลภหายไปก็รู้เกิดโกรธก็รู้โกรธตั้งอยู่ก็รู้โกรธหายไปก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้นะเกิดรู้ว่าหลงจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงแล้วก็รู้นะจะหดหู่ก็รู้จะฟุ้งซ่านก็รู้เนี่หัดรู้สภาวะนะสติจเป็นตัวรู้ไปเรื่อยสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรกําลังเกิดขึ้นในกายในใจ มีสติแล้วนะถ้ามีจิตตั้งมั่นนี่มีเงื่อนไขสําคัญเลยถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยขนาดที่สติไปรู้กายนะมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราและจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่สติไปรู้เวทนาเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็ดีในจิตก็ดีมันจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลเกิดขึ้นสติก็เป็นคนไปรู้ ถ้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆก็จะเห็นว่ากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเกิดดับได้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวดูเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวฟังเดี๋ยวเป็นตัวดมกลิ่นเป็นตัวลิ้มรสเป็นคนรู้สัมผัสทางกายเป็นตัวคิดนึกฟุ้งซ่านทางใจเป็นคนทําสมาธิทางใจ นะเป็นคนเพ่งนะหรือเป็นผู้รู้เนะนี่ยมันก็หมุนเวียนนะกระทั่งตัวรู้เองก็แปรปรวนไปเรื่อยๆตังไม่ได้เลยว่าจงเป็นตัวรู้ตลอดเวลาแป๊บเดียวก็กลายเป็นตัวชิดไปแล้วเนะนี่ยเศร้าดูของจริงลงไปเนะน็กดูของจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเกิดปัญญานะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเรียกมีสติมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว เพาว่ามีสติเนี่ยจะประกอบด้วยสมาธิไปในตัวนะสติที่หลวงพ่อพูดหนึ่งในสติปัฏฐานเนี่ยต้องเจอด้วยสมาธิที่ถูกต้องเสมอเพะงั้นเราต้องฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องก่อนถึงจะไปเดินปัญญาได้ถ้าสมาธิเราไม่ถูกต้องสมาธิของเราออกนอกเดินปัญญาไม่ได้จริงจิตมันออกข้างนอกนะต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวนะทุกวันไว้พระสวดมนต์แบ่งเวลาไว้เลยแล้วทําในรูปแบบ ทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตของตนเองไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบเพรนั้นมันตื้นเกินไปแต่วันไหนมันฟุ้งมากก็ทำให้จิตสงบไม่เป็นไรเอาไว้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวพอจิตสงบดีแล้วย่าไปพักอยู่เฉยๆยขี้เกียจขี้คลันงไม่พัฒนาพอจะพอไหวทาสวดมนต์เสร็จวันนี้จิตมีเรี่ยวมีแรงไม่ฟุ้งนะก็สวดมนต์ภาวนาอะไรของเราไปพุโทโธพุโทโธก็ได้ หายใจออกหายใจเข้าก็ได้ท้องพองยุ form, บก็ได้ทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อจิตสงบแต่ทาเพื่อจะรู้ทันจิตตรงนี้เป็นหลักสําคัญนะทําเพื่อรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแลรู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งๆิงว่างๆก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้ เดินจงกรมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้นะเคยรู้สึกตัวไว้รู้ทันจิตไว้นะแล้วจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วทําสติปัฏฐานต่อนะเคยดูกายก็ดูไปดูอะไรก็ดูต่อนะในกายในใจของเรานี้แหละอย่าเห็นเลยมันสิ่งที่เราไปดูมันไม่ใช่เราหรอกจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่ถ้ามันแยกกันนะตัวเราจะหายไปถ้ามันรวมกันแล้วตัวเราจะเกิดขึ้น ตัวเราเนี่ยเกิดจากขันห้ามันมาประชุมกันนะแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดผิดว่ามีตัวเราแต่ถ้ามันแตกตัวออกมาเนี่ยสัญญาหมดปัญญาที่จะหมายผิดผิดเลยหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปละนะสัญญาจะสิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจไปนนั้หลอกลวงไม่ได้เพราะสัญญาหลอกไม่ได้สังขารจะปลุงไม่ได้นะสังขารจะปลุงไม่ได้เลยถ้าสัญญาหลอกไม่ได้ค่อยฝึกเอานะธรรมะเป็นของประณีตลึกซึ้งสรุปวันนี้วันสุดท้ายแล้วของพวกเข้าคอร์สหนึ่งถือศีลห้า ตั้งใจรักษาศีลห้าด้วยตนเองวันละหลายๆรอบนึกบ่อยๆนะว่าเราจะรักษาศีลห้าเราจะรักษาศีลห้าคอยเตือนตัวเองไว้เรื่อยๆนะข้อ2ต้องแบ่งเวลาตอนตื่นนอนก็ได้หลังกินข้าวกลางวันก็ยังได้เลยนะหรือก่อนนอนตอนกลับบ้านยังไม่ทันจะง่วงอะไรเงี้ยหาช่วงเวลาไว้ช่วงหนึ่งแบ่งเวลาไว้เลยนะถวายให้พระพุทธเจ้า สักสินาที15นาที20นาทีอะไรก็ได้แล้วแต่กําลังบุญบารมีของเราอินทรีย์เราแก่กล้านะเวลานี้มันจะเพิ่มขึ้นได้เองจะขยันขึ้นเองเบื้องต้นเอาสัก15นาทีพอทรมานสิบหนาทีแบ่งไปไหว้พระสวดมนต์สักสนาที5นาทีอะไรก็ได้เวลาที่เหลือก็ทํากรรมาฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกเรื่อยๆอย่าไปฝึกให้จิตนิ่งๆเฉยๆโงอ่อยู่เฉยๆนะ ให้จิตเคลือล่อนเรารู้แต่ถ้าวันไหนมันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยจริงนะให้จิตอยู่กับคําบริกรรมของเราไปเลยให้จิตอยู่กับลมหายใจไปเลยอันนั้นทําสมถะแต่ถ้าจะฝึกเพื่อจะเดินปัญญาต่อให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเพราะงั้นการทําในรูปแบบนี่ทำอะไรได้บ้างหนึ่งไหวพระสวดมนต์คิดถึงครูบาอาจารย์นะให้กําลังใจตัวเองถ้าทําได้ก็จิตจะมีพลังนะคิดถึงพพุทธเจ้าอะไรเงี้ย ข้อที่สองถ้าวันไหนฟุ้งก็ทําความสงบไปพุทโธให้จิตไปอยู่กับพุทโธลมหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจไปถ้าวันไหนมีกําลังพอแล้วไม่พุทโธให้จิตไปอยู่ที่ลมหรอกแต่ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะหรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมก็รู้ว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดตัว่าจิตหนีไปคิดพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งความว่างๆก็รู้ก็คอยรู้ทันจิตไปนี่แหละเรียกว่าการทําในรูปแบบ ทำได้3อย่างนะไหว้ครูก่อนไหว้ครูเสร็จแล้วถ้ามันเหนื่อยมากมันฟุ้งมากก็ทําสมถะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้ามันมีแรงแล้วก็ค่อยดูทันคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนอย่าไปบังคับให้มันสงบนิ่งอยู่ที่อารมณ์มันเดียวจิตเคลื่อนไปที่ไหนรู้ทันเหมือนไปด้วยอันที่สอยู่ในชีวิตประจําวัน ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปไม่ใช่คนตาบอดนี่มีตาก็ดูเข้าไปมีตาเข้าไปดูแล้วใจมันก็เพิ่มวันไหวให้รู้ทันมีหูก็ได้ยินได้ยินแล้วใจก็เพิ่มวันไหวให้รู้ทันมีลิ้นนี่กินข้าวอร่อยใจก็เพิ่มวันไหวก็รู้ทันนะตัวอะไรมากัดโมโหขึ้นมาใจวันไหวรู้ทันลมพัดเย็นๆมาถูกใจใจเป็นยังไงรู้ทันนะ มันคิดเรื่องราวนี้คิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกอะไรรู้ทันก็คือปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ทํางานแล้วเกิดปฏิกิริยาสุขทุกขด์ดีชั่วที่จิตที่ใจนี่คอยรู้ทันไปเรื่อยนะแล้วต่อไปมันละเอียดขึ้นมันจะเห็นความยินดียินร้ายของจิตซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะถือศีลห้าทำในรูปแบบซึ่งมี3แบบนะสามอย่างนะแล้วก็ทําในชีวิตประจําวัน ถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้มากผลนิพพานไม่หนีไปไหนดอกในชีวิตนี้นะไปทำเอานะไปกินข้าว